ขอทุกท่านร่วมมานูทนาเสื้อ้ า, าพเพิ่มเติมอีกดังนี้กัลยาบัตรุงญาติปิญดีปานยัมนพัฒนาสุดทิติมาเกิดทองชนิสราเครือชัยจิรวันวร่พิสุทธิวงกัญญาณ์ทองบุญอันคนามุญทาธิพกุลครอบครัวงามสุริยพงศ์ครอบครัวคำสุภาปัญญาโกจันร่วมกับอีกหลายท่านซึ่งไม่ประสงค์ออกนามขอทุกท่านเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะ